เพราะฉะนั้นร่างกายของพระองค์ก็มาจากผลแห่งบุญมันผลแห่งบุญก็อ น, นะโดยปัจจัยอื่นๆเพราะวิโรธที่ปัจจัยเย็นร้อนเป็นต้นในที่สุดสรีระคุณของพระองค์ก็สลายไปดับไปเหมือนประเทศที่สิ้นเชือ้อเมื่อสรีระคุณดับเวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารวิญญาณแม้กระทั่งปัญญาคุณสีและคุณทั้งหลายก็คือสังขารขันเมื่อรูปสลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัพพัญญุตยานทั้งหมดถือว่าจบสลาย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 แต่ละสูตรก็เท่ากับแต่ละธรรมขันธ์หรือว่าธรรมขันธ์หนึ่งบางสูตรได้หลายธรรมะขันธ์ธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระองค์ปรินิพานผู้เดียวพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมะขันธ์จะทํากิจเป็นพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์ตามพระ่ำสอนตอนแรกเนี่ยพระพุทธสรีระนี้ก็เริ่มหมดไปก่อนใช่ไหมรูปแต่ตอนนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เหลืออะไรพระพระธาตุพระรมสารีนิกธาตุ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 อันดับที่ข้อพายอันดับแรกปริยัตข้อพายปฏิบัติอันตรธานปริยัตอันตรธานแล้วก็ธาตุอันตรธานอันตรทานสประการด้วยกันนะในอัตถคถาปหุทาตุกะสูตรอนุบาตวรคเนี่ยนะอนุปตะวรคเนี่ยในมชิมนิกายอุปริปันธาที่กล่าวถึงอันตรธานสาอย่างที่จริงลำดับแรก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 มัรชนผู้ไม่รู้จักโคเลี้ยงโคไม่ถูกชันใดผู้ไม่รู้จักศีลก็รักษาศีลไม่ถูกฉันนั้นคนที่ไม่รู้จักพระธรรมละ่ะจะรับปฏิบัติตามธรรมได้อย่างไรมันบางคนคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้เลยก็บอกเขาเป็นนักปฏิบัติเขาไม่รู้คำสอนเขาไม่ต้องการคำสอนแต่เขาต้องการปฏิบัติก็เราก็อย่าไปเถียงเขาเลยเพราะเขาปฏิบัติของเขาอ่ะนะ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 เนี่ยท่าน้ำลายไม่รู้จักอันตรธานทานสายมันกองท่วมหัวกันหมดแล้วอนะันนั้นน้ำลายที่กระซ่านกระเซ็นไว้ในโลกมันกองท่วมไปหมดแล้วทะเลาะ ก, กันอนะอกุศลจิตทั้งน้านเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยปริยัติก็ทีแรกปริยั ต, กยตกกิก็ค่อยๆถูกลืมขึ้นอนะพระพิธรามาพิธามก็ค่อยๆหมดไปพระสูตรก็ค่อยๆอันตรธานไปเนี่ยนะพระที่จริงมันก็ค่อยๆอันตรธานมาโดยลําดับอนะแต่ถ้าโดยทั่วๆไปก็จะพูดแบบใหญ่ๆก่อนเลย อภิธรรมจะเสื่อมก่อนต่อมาก็พระสูตรที่สามพระวินัยเสื่อมอันดับสุดท้ายพระอภิธรรมเสื่อมก่อนก็ไล่ามาทั้งอ่ะแปลว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะพูดคิดง่ายๆเลยก็คือว่ามันเสื่อมตั้งอ่ะเล่มสุดท้ายมาก่อนว่า ง, งั้นเถอะวุ้ยใครอ่านพระไตรปิฎกในขึ้นต้นมาจับเล่มสุดท้ายแล้วก็วางแล้วเก็บหนังสือกลับบ้านนอนละมัน <laughs> เล่มสุดท้ายมันมีแต่เตยก้าวรอก้าไปยานมันมีเท่านั้นจุดจุดจดุมันก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆอะ่ะ ไม่เห็นท่านท่านพูดอะไรเลยนักหนักเข้าเนี่ยอภิธรรมบางเล่มไม่มีภาษาไทยอยู่เลยเขียนเป็นภาษาไทยแต่เป็นบาลีทุกคําเลยนะแล้วเป็นสับสมัติทั้งนั้นเลยเนะี่ยนเป็นสับชนชนชนชนชนบาลีเนี่ยยาวครึ่งบรรทัดอย่างไงไม่รู้ท่านว่าอะไรของท่านอมข้อความอย่างคําเดียวเนี่ยนักใช้หนังสอืออธิบายสามเล่มอย่างเงแล้วเอาคําเหล่านั้นมาต่อตๆ อ, อ, อ, อ, อกันเนี่ยมันอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ยก็เลยเห็นนักง่วง เ, เลยว่างั้นก็เลยหมดเลยคแค่นี้เอาเชียว ไปดูตู้ไหนก็ตู้นั้นแหละเล่มท้ายๆนะใหม่เสมอเก่าแต่ปกพี่เก่าเพราะย้ายไปย้ายมานะย้ายตู้ย้ายที่วางย้ายที่เก็บเนื้อในใหม่เสมอกระดาษก็ยังคงติดปื๊ดกันอยู่ดีอนะมั น, น, นติดจไม่หมดนะเชื่อเขามาว่านะใครที่อ่านจริงๆใน น, นี้ถึงสามคนหรือเปล่ามันเล่มท้ายๆนะไอเปิดก็เปิดดูอนะเปิดดูบ้างคลิกๆแต่ว่ามา น, นั่งอ่านอ่านก็มาอ่านไม่ได้อยู่แล้วล่ะเชื่อไม่มีความรู้พอที่จะอ่านได้ มันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆไล่ต่เล่มสุดท้ายก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆหนักๆเข้าก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้เออแล้วพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหทุกคนบางทีเรียนกันเยอะๆหยือมาตกหลงว่าลงรายละเอียดรู้ทุกคําเลยนะวิจัยสะระสะระสะอีสะอีรู้หมดเลยตกหลงพุทธเจ้าบอกอะไรเราบอกไม่รู้อะไรบอกว่าวันนี้อย่างวันนี้เรามานั่งเรียนทั้งวันเนี่ยตกหลงเนี่ยอยากให้รู้อะไรอย่างมากไหมเข้าใจได้ไหมแต่ว่ายังไม่ต้องตอบก็ได้เนี่ยนะใหเวลาไปตอบกันเองแล้วกัน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 องต้องการให้เรามีความรู้คือสัมมาทิฏฐิแต่ว่าไม่ใช่มรคเดียวนะจริงๆและคําสอนทั้งหมดองสอนให้เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราฟังทำศึกษาประธรรมแล้วถ้าได้มรค8ดเนี่ยนะข้อแล้วได้สาระคือมรค8ดไปเนี่ยแต่ว่าถูกต้องเหมือนใครเรียกว่าบทภูเขาทั้งลูกเพื่อโมหาทองคำเนี่ยนะหาเพชรหาพลอยหาอะไรก็ได้สาระอยู่ตรงนั้น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 สัมมาอาชีวะโดยที่เลี้ยงชีวิตอยู่ได้ขยันยังไงแล้วได้บุญตลอดแล้วละบาปได้เป็นสัมมาวายามะสติคือไม่เผลอไม่เบลอไม่เลอะเลือนเนี่ยนะอนะไม่ใช่วโอ้ยมาจากไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยอะไรเป็นอะไรวะสับสนไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเขาเรียวกว่าเบลอแล้วล่ะไม่มีสติเรียวกว่าประมาทแล้วส ม, มาธิแล้วงานเนี่ยตื่นตูมเลยใช่ไหมตื่นตูมตื่นเต้นแต่ส ม, มาธิเนี่ยตรงกันข้ามแต่ตื่นตูมกับตื่นเต้นแปลว่าสงบแต่ไม่ใช่นั่งหลับเลยนะ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 เป็นศาสนาศาสนาคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาคืออะไรคือปิฎกแล้วปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติตามเหล่านั้นเรียกว่าปฏิบัติศาสนาหนักๆเข้าคนไม่เข้าใจปริยัศาสนาก็ไม่เหลือปฏิบัติติศาสนาไม่รู้จกักศีลก็จะไปรักษาศีลอะไรเอาเอาเข้าเอาไปเอามาอย่างปัจจบนนุบันในรักษาศีลข้อที่หนึ่งคืออะไรคือไม่ทําอะไรเลยโอ้นี่เหลือศีล บอกเขาไม่ยังนิจชาวาจานะเพราะเขาไม่ได้ด่าใครอยงนั้นอะไรคือศีลกันแน่แบบเขาเขามีศีลตลอดเลยหลับก็มีศีลตื่นก็มีศีลออ้ยกายนิพพานเข้าไปแล้วละเชื่อเถอนี่ก็ทําอะไรนะเขามีสติสัมปชัญญะเขารู้ตัวหมดเลยเออใช่ความรู้เป็นสัมมาทิฐิสติเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยเป็นสัมมาทิฐิสติเนี่ยเป็นสัมมาสติก็คุณกําลังปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาแม่นั่งเนี่ยยอมรู้ตัวไหมตอนเนี่รู้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 สารณะแต่สารณะจะไม่ถือเอาการปฏิบัติของเราเป็นประมาณนะแต่ตัวพ่อยังต้องเช็คให้ดีๆนะว่าสารณะคือพระธรรมหรือว่าการกระทาของเราถ้าการกระทาของเราเนี่ยเป็นไปตามคำสอนเอาเป็นสารณะได้แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนทิ้งซะ